ท่านฟังคะเดือนมีนาคมของเราล่วงเข้ามาเป็นวันที่3นะคะเดือน3ทางฝรั่งเขาแล้วก็เป็นวันที่3รายการเราสันสนีสนทนนะคะทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเครือก็154สถานีนะคะด้เวลาที่จะเปิดทาที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจรย์พบูร์อภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกหนองหารอุดรธานีค่ะ นำ้ำตการกับท่านคะใ่ท่านเอพรคำถามที่ส่งมาให้ในรายการนี้นี่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นบางทีคําถามพื้นพๆเนี่ยก็เป็นคําถามที่พออ่านตามไปแล้วเออจริงๆนั้นมันน่าถามจริงๆเลยเ อ, อ, อย่างเช่นคําถามเรื่องตกยุงเนี่ยคะออ่ะท่านฝั่งเคยตกยุงไหมคะอ่าถ้าเคยตกยุงเผื่อจะเป็นข้อสงสัยของท่านด้วย อ, อคุณนัฐพรค่ะบอกว่าที่บ้านสวนเนี่ยยุงมากคุณแม่ ใช้ไม้ตบยุงไฟฟ้าตบมันนังเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะ<า>คดิเพียงได้ยินยนะใช่ม <as> ันก็น่าสนุกดีน่าประหลาดใจยิ่งนักอ่ารู้สึกไม่ค่อยดีที่คุณแม่ใช้ไม้ตบยุงไฟฟ้าตบยุงแต่ตัวเองเนี่ยแพ้น้ำลายยุงโดนกัดเป็นประจำตอนแรกนี่พูดกับยุงนะคะว่าต่างคนต่างอยู่แล้วกันประกาศไม่ได้ผลค่ะหนักๆเข้าก็เลยเอามาใช้บ้างคือคงจะใช้ไม้ตบยุงไฟฟ้าของคุณแม่เนี่ยนะคะแล้วก็คงจะรู้สึกผิด ก็เลยรู้สึกว่ามีกรรมเกิดขึ้นทันตารับรู้ได้ว่าแต่ละครั้งที่ถูกยุงกัดจะมีอาการเจ็บและปวดบวมมากขึ้นก็เลยเลิกใช้และลองเอาธรรมะเข้าคมค่ะสวดบทแผ่เมตตาแทนน่าประหลาดใจ ย, ยิ่งนักอันนี้เป็นคำของคุณนัทพรพ์เลยนะคะพ้นที่เกิดก็คือรู้สึกว่ายุงจะไม่มากัดอีกเลยหรือจะมีก็เล็กน้อยมากหรือจะเป็นอ น, นิสงส์ที่เราตั้งใจภาวนา เราไปเล่าให้แม่ฟังคือตั้งใจจะให้คุณแม่เลิกตบยุงอ่ะท่านก็ยังใช้ไม้ตียุงอยู่ต่อไปจึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะช่วยให้แม่ไม่ต้องทำบาปได้ไหมจะรับผลกรรมแทนแม่ได้หรือไม่เพราะเคยได้ยินว่าพ่อแม่ทากรรมใดไว้ก็จะตกมาถึงลูกเข้าใจว่าคงจะกลัวว่าผลกรรมนั้นจะตกถึงตัวเองไม่ใช่หมายความว่าตัวเองจะไปรับกรรมจากการตบยุงแทนคุณพ่อคุณแม่อันนี้ต้องแยกเป็นสามประเด็นเลยค่ะ อนนันแรกที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าการแผ่การแผ่เมตตาเนี่ยมีอันนี้สองแน่ น, นอนเพราะฉะนั้นคุณนัทพรที่ใช้วิธีการแผ่เมตตาเนี่ยตัวแต่มาเองก็ใช้ได้ผลนะเราแผ่เมตตาออไปเนี่ยการรู้สึกว่าใครจะมาทําอันตรายเราได้เนี่ยมันจะลดลงนะอันนี้เป็นอันนี้สองที่เห็นได้ชัดศาสตร์เราไม่ต้องบุคคล น, นั้นไม่ต้องถูกระเบียบวิธีก็ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่คิดว่าเราไม่คิดจะเบียดเบียนเจ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาขอให้สรัพยสัทธ์ทั้งหลายจงมีความสุข ทางด้านด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างด้านกว้างทุกทิศทางสัตว์สรรพสัตว์ต่างหลายขอให้มีความสุขอันนี้แบบพุทธวจนะใช่ใ่ถ้าเป็นมาตรฐานพุทธวจนะรบกวนท่านทบทวนอีกครั้งได้ไหมคะแผลยังไงนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วใช่ไหมก็น้อมจิตไปนะเพื่อด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณยันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผลไปทิศด้านหน้าด้านขวา ด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ค่ะนี่คือความเมตตาที่เราแผ่ออกไปค่ะชั้นฟองก็คงจะจําได้บ้างเป็นส่วนใหญ่นะคะด้วยจิตที่ดีละ่ะ<ช>ไม่มีพยาบาลไม่มีเบียดเบียนทีนี้คาพูดอะไรไม่เกี่ยวอยู่ที่จิตแล้วถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้โอเคละต้องมีน้ํำไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีน้ำํำเราต้องไปเบียดเบียค น, น, นคนอื่นด่าคนอื่นเอ้ยเอาน้ำมาไ ม, ไ, มไม่ต้องมีแต่ถ้ามีน้ําแล้ว ทำให้จิตเราตั้งมั่นมากขึ้นมีน้ำก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะนะแล้วก็กลับมาที่เรื่องท่าจันเพบูตรได้ตอบอโยมอยู่นะคะว่าแผ่เมตตามีผลใช่แผ่นี้มีผลอ่ะเข า, าคุณนัทพรรู้สึกได้ดีมากอาตมาก็อนุโมทนาสาธุด้วยทีนี้ถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังทำต่อไปนะต้องทราบก่อนว่าการทำปนาติบาตเนี่ยมีผลอยู่สองอย่างาผลสุดตรงก่อนเลยถ้าทามาก มากมบ่อยๆมากๆบ่อยๆนะจะเป็นไปเพื่อนรบ ก, กําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าวิบากอย่างเบานะของความเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยวิบากอย่างเบาของการทําปาณาติบาตเนี่ยก็คือจะเป็นไปเพื่อความมีอายุสั้น<ะ>เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องยอมรับผลของการกระทําำอาจะมีอายุสั้นไปท้าจังคะอย่างยุงวงรอบอายุน้อยเนี่ยเราก็สามารถจะตบยุงหลายตัวแล้วถึงจะอายุสั้นเท่ากับ ค่าสัตว์อย่อางไหมคะอัตราส่วนเนี่ยคงไม่มีเครื่องคิดเลขที่จะคำนวณได้เพราะว่าเรื่องกระแสแห่งกรรมเมื่อถูกต้องสัตว์แล้วเนี่ยยากที่จะประหยัดก่อนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถาาระดับสัมมาสัพพทธเาเนี่ยถึงจะทําได้ที น, นี้ถามว่ า, เ, าเราก็ต้องยอมรับแหละสภาพของการการทําความไม่ดีของเราใช่ไหมคือมันบาปแน่นิดหน่หน่อยมันก็บาปแต่ว่าจะสําหรับคนที่ปฏิบัติจิตตภาวนาเนี่ยจนกระทั่งได้บรรลุเป็น พระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยสมมุติเขาจะไปฆ่ายุงทําได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยจะไม่เป็นไปเพื่อนรกกาเนิดดาราชัยเปรตวิสัย่แตเพราะว่ามันไม่มันไม่หนักถึงขนาดว่าต้องไปลงนรกคือมัอนก็นไม่มีเจตนาด้วยว่าถูกต้องก็ <c oughs> คือทําไปทําไปป้องกันอาจจะไปโดนบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าแล้วเราจะรับกรรมแทนแม่ได้ไหม ก็ต้องถามว่าแม่รักลูกมากไหมถ้าแม่รักลูกมากมีสิทธิ์ว่าลูกเนี่ยจะต้องรับกรรมแทนแม่รัะอะไระราะอะไรเาจมาเอาอะไรมาวิเคราะห์มาซัพพอร์ตการพยากรของเราอย่างนี้คือพระทุกขเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะจะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจะจะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นอะไรที่เขารักมากเนี่ยอันนั้นจะกระเทือนมา เพราะนั้นถ้าสมมติแม่รักลูกมากนะและแม่ทำความไม่ดีเยอะลูกจะกระเทือนเพราะว่าลูกจะเจอกับจะมีสิ่งที่มาทำให้แม่เนี่ยจะเกิดภาษาที่ไม่พอใจอันเนื่องมาจากลูกสมมติมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับลูกแม่จะกระเทือนใจมากๆากอันนั้นก็คือจะเป็นกรรมของแม่ถ้าแม่รักลูกมากใช่คือ ระดับของความรักก็มากน้อยตามต่างกันไปเพราะว่าถ้าลูกเป็นอะไรแม่ก็จะมีความทุกข์มากใช่เป็นการที่แม่รับกรรมที่ตัวเองทําไว้ถูกต้องค่ะก็มีส่วนไหมมีส่วนตกมาได้แต่เราจะรับกรรมแทนแม่ได้ไหมเพื่อที่จะไม่ให้แม่มีความทุกข์มันก็แก้กันอยา่าเพราะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือว่าถึงอยากจะสรุปตรงประเด็นนี้ว่าถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีมาม า, มากๆนะผู้รูจักเปรียบเทียบเหมือนกับขลือที่เอาไปชงในน้ําแก้วหนึ่ง นะกับเกลือหนึช้อนโต๊ชงในน้ำแก้วหนึ่งชิมดูเค็มเกลือหนึ่งช้อนโต๊ ะ, 1, ตะไปใส่ในแม่น้ำเจ้าประยาชงดูเอ้มันไม่เค็มทั้งทั้ที่มีปริมาณเกลือเท่ากัน <Okay. S 1> นะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันมากน้อยต่างกัน <Okay. S 1> เช่นเดียวกันความไม่ดีที่เราทำมากเนี่ยเปรียบเสมือนเกลือ1น่ช้อนโต๊หรือกี่ช้อนโต๊ะก็แล้วแต่แต่ความดีที่เราทำมากเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำที่มีจะแก้วหนึ่งหรือจะแม่น้ำหนึ่งละ่ะเพรา ะ, ะนั้นเราเร่งทำความดี <Okay. S 1> ไม่ได้ว่าเอามาลบความไม่ดีนะแต่เพื่อที่จะ เอามารองรับนะเพื่อให้เราเนี่ยได้ดีขึ้นพอความไม่ดีมันส่งผลมันก็จะเบาหน่อย <คะ S 1> ไม่ใช่ว่าหายไปเลยไม่หายเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนกับว่าเราก็ทําสิ่งที่เรียกว่ากรรมหนักฝ่ายดีเลย <คะ S 1> กรรมหนักฝ่ายดีทําสิ่งที่เรียกว่าทํากรรมที่ดีให้หนักๆกรรมที่ดีที่หนักๆคืออะไรนะนนพระเจ้าเปรียบเทียบกรรมหนักเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดี <คะ S 1> ถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการนี้เนี่ยคงจะทราบว่ากรรมหนักฝ่ายไม่ดีนะ กำหนักฝ่ายลบเนี่ยก็คืออนันตริยกรรม5คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอาหารทำสงฆ์แต่การทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วคือกำหนักฝ่ายไม่ดีกำหนักฝ่ายลบพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับวัวหน้าปากข้อเปิดก่อนออกก่อนเลยในขณะเดียวกันกำหนักฝ่ายบวกก็มีทำก่อนให้ผลก่อนกำหนักฝ่ายบวกคืออะไรคือสมาบัติทั้ง8ปขั้นคือการทำสมาธิทั้ง8ปขั้นนั่นเองชั้น1ชั้น2ชั้นสาชั้น4 รูปสัญญาสมาบัติทั้งสี่ขั้นอันนี้คือกำหนักฝ่ายบวกเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกสาวนะนั่งสมาธิภาวนาเจริญเมตตาอันนี้จะเป็นการช่วยได้ที่ดีที่สุดช่วยไปถึงคุณแม่ได้ถูกต้องะะเพรากำหนักฝ่ายบวกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณนัทรพรในหมายความในส่วนที่ว่าเออเราจะรับกรรมตบยุงในแทนคุณแม่ที่คุณแม่ตกยุงได้หรือเปล่าก็ทํากำหนักนี้ได้ฝ่ายดี แล้วสามารถที่จะนำเอาคําตอบที่ท่านจันภัยบูลให้เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้กับการที่จะทําผิดศีลในข้ออื่นได้ทั้งหมดเลยไหมคะได้ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยถามเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องยุงเล็กน้อยนะคะก็ใช้ได้จนกระทั่งถึงไปเล่นงานคนสิ่งมีชีวิตที่มี คขเรียกอะไรคะมีทุกมีสุขมาก<ช>ถ้าจากครับพอดีพูดถึงเรื่องพ่อแม่นะมันมีอีกคำถามหนึ่ง<ช>ที่ถามมาเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอบอกว่าพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าทรงอ๋อค่ะจะมีทาไหนเปิดให้คะเนี่ยเรื่องความเชื่อที่ว่าเทวดามีน ะ, ค, ะความเชื่อที่ว่าการบูชามีผลอันนี้เป็นสมาธิค่ะเป็นสมาธิที่ยังเกี่ยวเนื่องนกร่บของหนะัก เป็นสมาธิระดับโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่ อ, อย่างเช่นคนที่เชื่อกุมารทองอย่างเงี้ย <Okay. S 1> หรือเจ้าเข้าทรงอย่างเงี้ยเจ้าเข้าทรงบอกเออเธอไปให้ทานเธอไปถือศีล น, นะโอ้โหแล้ว ถ, ถามว่าเราจะไปติดตียนเขาด้วยคุณธรรมข้อนี้ได้อย่างไรไม่ได้ค่ะ <Okay. S 1> เขาแนะนำให้ให้ทานเอาทานไปให้ถ้าไวถ้าถือศีลดีนะ ดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งดีกว่าคนที่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยแล้วท่านในอีกลักษณะหนึ่งอะคะแนะนำเช่นเดียวกันแต่แนะนำว่าเนี่ยคุณครอบไม่ดีนะต้องไปสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันแทบจะเกินกำลังของคนที่ถูกแนะนำแล้วอะคะท่านคะอันนี้ก็คือเราต้องพิจารณาว่าอยู่ในกรอบของอมรรคแไหม ห, หนึ่งให้ทานไหมมีการเจริญภาวนาไหมอย่างเช่นบางท่านบอกว่า เธอต้องไปซื้อผ้าขาวนะอามาคลุมตัวนะแล้วก็บิดผ้าลักษณะอย่างนี้นอนอยู่กี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้เลื่องอมไม่เข้าท่าแต่ถ้าฟังเข้าท่าหน่อยอ่เธอไปปฏิบัติธรรมเ็ดวันสิวันเอานี้ฟังเข้าท่าหน่อยแต่สมมติอย่างเงี้ยคระท่านะคะพูดฟังเข้าท่าเลยนะแต่มันเกินกําลังอ่ะเช่นอย่างเงี้ยต้องไปสร้างวิหารอืให้วัดร้างสมมุตินะคะให้ให้ให้วัดที่เขายัางไม่มี อ, ะอ่ะอแล้วก็ ฟังดูก็ดีนะมันเป็นการให้ทานด้วยวัดอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ใชสิ่งนี้แต่ตัวเองเนี่ยมีปัญหาค่ะไม่มีปัญญาหรือจะให้ไปสร้างพระองค์ใหญ่เนี่ยเป็นหลายแสนบาทมไม่มีปัญญานะ่ะก็ต้องดูที่พุทธเจนะพูดอย่างไรพุทธเจ้าพูดถึงการให้ทานว่าคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดคนดีให้ทานเนี่ยพิจารณาสามอย่างเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมถ้าไม่เบียดเบียนใครเลยนะคนให้ทานแบบเนี้ยเป็นคนฉลาดเป็นสัตว์ปรุษให้ทาน เบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมและเบียดเบียนทั้งสฝ่ายไหมอ๋อเบียดเบียนทั้งสฝ่ายไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วไม่เบียบเบียนใครนี่ฉันทําเท่านี้ไม่เบียบเบียนใครฉันทํามากกว่านี้เบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนตัวเองอยากกันนั้นเลยเราเป็นคนฉลาดทําทานดีกว่าสมมุติค่ะในกรณีที่บอกว่าให้ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกินกําลังหรือไปสร้างพระองค์ใหญ่ที่มันเกินกําลังเราก็ไปร่วมกับคนอื่นสร้างเท่าที่กําลังเรามีในสิ่งเดียวกันที่เจ้าเขาบอกได้ไหมคะ เจ้าทไมหมายถึงเนี่ยฮะก็บอกว่าไปทรงเจ้าอ๋อไปนิกอเชียตไปแต่ว่าเราเนี่ยคล้ายๆก็บอกว่าให้ทาทั้งองค์อ๋อใช่ไหมเราก็ไม่ไม่ได้ไปต่อรองใครเลยแต่เราพิจารณาตัวเองและมันเบียดเบียนตัวเองใช่ใช่ใช่ไหมคะก็เลยหาทางที่จะได้ทาด้วยแล้วสบายใจแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างเงี้ยเรงดีเป็นกุศรลบายที่ดี เพราะว่าอันนี้เป็นคำภา ษ, ษาดิบุตรนะไม่ใช่คำพระพุทธเาเลยจะยกมาให้ทราบนิดหนึ่งว่าคนที่ให้ทานแล้วชวนคนอื่นให้ด้วยเนี่ยหนึ่งตัวเองก็จะได้ผลของทานแล้วก็จะมีบริวารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทําเองจะได้แต่ผลของทานนะอันนี้ส่งของทานแต่ว่าจะไม่มีบริวาร น, นี่คือคํำภาษาดิบุตรพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าชวนคนอื่นทำก็เราได้บริวารด้วยก็ดีก็ไม่ต้องทุกข์ใจที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะ ศรัทธาเจ้าหรือสารเจ้าถ้าเป็นสมาธิิใช่ทีนี้ประเด็นคือพระเจ้าก็อธิบายลึกซึ้งขึ้นอีกมีสมาธิิชนิดที่เหนือโลกเป็นส่วนประกอบเป็นไปเพื่อนิพพานอยู่นะคือสมาธิิคือการเห็นการเกิดดับการเห็นอริยสัจ ส, สีอันนี้เป็นสมาธิิเพราะฉะนั้นถ้าคนมีที่พึ่งอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะจะจิตจะน้อมไปในการทำชั่วเอ้ยไม่มีใครว่าอะไรเราไม่มีการเกรงกลัวต่อบาป ไอ้่าสัตว์ดีกว่าไปรักทรัพย์ดีกว่า <คะ S 2> แต่ในขณะคนที่มีครูบาอาจารย์จะเป็นครูบาอาจารย์อะไรก็ได้จะเป็นเทพกุมารทองขันอะไรต่างถ้าเขาแนะนําให้ในการถือศีลเขายังเกรงกลัวมีความฮิริโอตปาเนี่ย่าไหมค่ะซึ่งหิริโอตปาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สามารถทําให้เป็นคนดีขึ้นมาได้คะ่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้พอกลับมาเข้าถึงพุท ธ, ธวจนะได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นโสดาบันนะคะใช่ว่าถ้าอยากเป็นโสดาบัน ขึ้นบันไดขั้นแรกของการเป็น <ừ> อริยบุคคล <ừ> จะต้องจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ า, าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลพระตปปรมาศี ล, ลพระตปปรมาเนี่ยคือการรูปคําศีลและวัดที่ผิดนึกออกไหมการรูปคําศีลลวัดที่ผิดเนี่ยหมายความอะไรอันนี้ต้องแหมต้องอธิบายคุณสันสนีถามถูกไหมเวลานิดเดียว่ะท่านคะ่ะ ว, ะว่าศีลวัตที่ผิดเนี่ยคือการ ถือคิดว่าการปฏิบัติแบบนี้จะทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถามเลยว่าสมมติพระโสดาบันองค์หนึ่งโสดาบันคนที่คารว่าเป็นโสดาบันไปไหว้เจ้าได้ไหมถ้าบุคคล น, นี้ไปไหว้เจ้าด้วยความคิดว่าเราสรรเสริญคุณธรรมของเจ้าองค์นี้เจ้าองค์นี้มีคุณธรรมเรื่องความเมตตาไปทําความเคารพเคาะสักหน่อยทําได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเออการไปไหว้เจ้าองค์นี้นะจะทําให้ฉันหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานอันนี้คุณไม่มีศรรมิลประตถาประมาณ ละได้แล้วแต่ไปไหว้บรรพบุรุษบ้างไปไหว้เจ้าบ้างเพราะเห็นคุณธรรมอันดีของเขาทําได้ไม่มีปัญหาะไรแต่ก็ต้องศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมประสงค์เพราะว่าคิดว่าพระพุทธธรรมประสงค์จะทำให้เราหลุดพ้นได้จิตเราคิดว่าพระพุทธธรรมประสงค์ให้หลุดพ้นได้เราไปไหว้เจ้าเพราะว่าหวังว่าเออเขามีความเมตตาเราควรคุณธรรมอันเนื่องด้วยความเมตตาของเขาทําให้เราควรที่จะไปไหว้เขาอันนี้ดีค่ะไม่ได้ทําให้สูญเสียคุณสมบัติในการที่จะเป็น เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าไปไหว้แล้วจะทำให้เราหลุดพ้นอันนี้ก็ต้องถามเพื่อความกระจ่างเพราะว่าบางคนอาจจะบอกเอ๊ะงงงงอ่ะนะคะจะได้หายงงหายสับสนกันไปก็สรุปแล้วเป็นอันว่า ทุกคาตอบนะคะท่านภับุลอภิปุนโนก็ได้ตอบให้ท่านผู้ฟังด้วยการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคําถามในวันนี้<ช>คําถามอื่นๆยังมีอีกต้องติดตามกันในวันต่อไปนะคะ<ช>วันนี้นมัส ก, การขอบพระคุณท่านค่ ะ, ะ, ะท่านผู้ฟั ง, ท, ฟงที่เคารพค่ะรายการนี้สัสนิษฐานนะค่ะท่านกำลังฟังอทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีนะคะมาเลโทราศัพที่ติดต่อเรา 02-269-0006 ทั้งการที่จะส่งคำถามเอาไว้หรือว่าท่านอยากจะขอหนังสือที่ตอนนี้ท่านคึกฤทิโสธิพโลนะคะก็ยังฝากมาให้แจกกับท่านผู้ฟังเล่มล่าสุดก็คืออาณาปานสติ โดยพระตถ า, าคตแจกให้วันละหนึ่งเล่มนะคะติดต่อเข้ามาที่หมายเลขนั้นค่ะส่วนรายการของเราพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมพบกันตีห้าขอร่ำขอขอบคุณจาทดิฉันสนรรสินีนาคพง์แล้วก็รายการสรนสินรรีสนทนาพุทธวสัสวัสดีค่ะ